ภาวนาค่ะนะมันไม่ยากอะไรไม่ใช่เรื่องยากหรอกยากตรงที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็หลับหูหลับตาภาวนากันลําบากทําไม่รู้ว่าวิธีที่ถูกเป็นไงนะก็อดอุตส่าห์อดทนทํามทำไปอย่างหลวงพ่อนะเสียเวลานานทําสมถะตั้งยี่สิบสองปีทั้งๆ ท, ท, ที่ควรจะทําสมถนะควรจะใช้เวลาแค่สเดือนเท่านั้น สามเดือนก็คล่องแล้วใช้เวลายี่สิบสองปีไม่มีวิปั ส, สนาขึ้นไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทำยังไตงตอนนั้นคิดแต่ว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะแจ้งขึ้นมาเองจะรู้เอง ล, ลำบากเสียเวลานา น, านเจอหลวงปุ ด, ดูลท่้นสอนไม่นาน้วเข้าใจแล้วเจ็ด<ม>เดือนเข้าใจว่าเอ้เขาทำกันอย่างนี้ภาวนา เวลามาสอนพวกเราหลวงพ่อเลยเปลี่ยนวิธีสอนคนรุ่นนี้ก็ต้องสอนด้วยวิธีของคนรุ่นนี้ใช้วิธีของคนรุ่นก่อนมาสอนคนรุ่นนี้รับไม่ไหววิธีของคนรุ่นก่อนคือท่านไม่ค่อยสอนท่านทำให้ดูต้องคลุกคลีกับท่านอนา น, านที่ท่านหลุดออกมาให้ธรรมะประโยคสองประโยชน์ทำกันไปเป็นปีเลยถูกถูกผิดผิดรูปรูปคลคลไปเรื่อย นานๆท่านบอกอีกทิ้งมีพระมาเล่าให้ฟังองค์อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะอยู่ไม่ได้ปีหนึ่งแล้วท่านก็บอกพุโทโธไว้อยู่มาตั้งนานไม่สอนนะอยู่ไม่ได้สักปีท่านบอกให้พุโทโธพอาพุโทโธไปเรื่อยนะอีกปีหนึ่งเดินวินธบาตสวนทางกับท่านท่านก็ตะโกนบอกรู้สึกตัวไว้สองปีให้รู้สึกตัวนะ เพิ่งสอนมาเรียนกับหลวงพ่อวันแรกก็ให้รู้สึกตัวแล้วจะใช้เวลานานนานแต่ท่านพวกนี้นะถ้าผ่านได้ท่านแกล่งให้หลอมมานานนะเอาโลหะมาหลอมอยู่นั่นแหละไม่เทขึ้นรูปสักทีอหลวงพ่อเทเอาเทเออกออกมาเปลี่ยนวิธีสอนคนรุ่นนี้ต้องรู้ชัด ว่าจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรถ้าจะทามีปัญหาอะไรต้องระวังอะไรถ้ามีปัญหาแล้วจะแก้อย่างไรยต้องละเอียดยิบเลยนะไม่งั้นไม่ปฏิบัติหรอกใจไม่ถึงให้ไปนั่งสมาธิอีกสิปีแล้วมาคุยกันเนี่ยคงหนีไปหมดมาังนั้นเวลาสอนหลวงพ่อจะบอกเราจะต้องทำอะไรบ้าง ทำสมถะวิปั ส, สนาทำไปเพื่ออะไรสมถะทำไปเพื่อให้มีแรงวิปั ส, สนาทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาทำอย่างไรสมถะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวิปั ส, สนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็บางคนก็ต้องต่อรายละเอียด แต่ละคนจะมีวิธีการอันนี้ถึงขั้นวิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนทำสมาธินำปัญญาบางคนปัญญานำสมาธิมีส่วนน้อยที่ใช้สมาธิกับปัญญาควบกันบางคนทำสมาธิใช้ในชีวิตประจาวันเป็นหลักเลยใช้คณนิกาสมาธิเท่านี้แหละบางคนได้ถึงอุ ป, ปจาระน้อยคนถึงอัปปนายุคนี้คนได้อัปปนามีไม่มากหรอก บางคนก็สอนดูกายบางคนก็สอนดูจิตแล้วแต่จริตนิสัยไม่ใช่หลวงพ่อดูจิตมามาสอนทุกคนดูจิตไม่ใช่พวกเราดูกายก็มีเยอะแยะไปมันเป็นลงที่เดียวกันพอรู้วิธีแล้วก็ทั้งทําให้มากปฏิบัติทําให้สมควรกระทำทำให้มากแค่ไหนเรียกว่ามากเวละสามชั่วโมงมากไหมไม่มาก ทำให้มากคือทำตั้งแต่ตื่นจนหลับมียกเว้นให้เวลาทํางานที่ต้องคิดแล้วทําอะไรตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าไม่ทำสมาธิก็ทํามีปัศนาแต่ว่าช่วงเวลาที่ยกเว้นให้ไม่ที่ไม่ต้องไปคิดทํามาหากินนะวันวันหนึน่งก็หลายชั่วโมงละบางคนทํางานมาละดชั่วโมงบางคน10บชั่วโมงบางคนสิบี่ชั่วโมงพวกเรามีลําบาก ยิ่งรวยมากนะยิ่งทำงานเยอะจนไม่มีเวลาใช้เงินนะลูกเอาไปใช้หมดพ่อก็ทำงานไปหัวโตเลยลูกก็ใช้เงินเพลินเลยพวกนี้นั่งสานไปอีกแบบเนี่ยเวลาพวกนี้นะต้องตัดต้องยอมเวลาทำมาหากินนะเพื่อจะอยู่กับโลกในชาตินี้ให้ได้เวลาที่เหลือนะ้เอามาพาวนาช่วยตัวเองให้ใหพ้นจากวัตตะ แต่ในความเป็นจริงคนที่ว่าทํางานวัละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไะนี่ทําไม่ถึงในแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงอะไรเนะี่ยนะเวลาจํานวนมากเอาไว้ใจลอยที่ว่าทํางานมาละแปดชั่วโมงไม่ได้ทําจริงหรอกเราแอ บ, บใจลอยวันหนึ่งมหาศาลเลยนะถ้าหลวงพ่อเป็นนายทุนนะรับคนมาทํางานหลวงพ่อจะไม่ทําอะไรจะนั่งดูว่าใครแอ บ, บไปคิดเรื่องอื่น มันไม่ทํางานหักเงินเดือ น, นเดือนเดือนคงจ่าเงินนิดเดียวเนาะนึกออกอย่างว่าวันๆเนี่ยแอบไปคิดเรื่องอื่นเยอะแยะเลยเใช่ไหมที่บอกว่าอยู่ในเวลาทํางานอ่ะคิดเรื่องงานตลอดไม่ ไ, มได้คิดหรอกงั้นตอนนี้เนี่ยที่เราเคยแอบเอาไปใช้คิดเรื่องอื่นสเปสป่านะในเวลางานนี้ได้เอามาพรวนาไดนะ้เพราะเวลาที่เราทํางานนั้น ผู้บังคับชาหรือนายจ้างพอใจแล้วเขาถึงยังไม่ไล่ออกเขานึกว่าเราทำงาน8ดชั่วโมงความจริงทำสองชั่วโมงเองใจลอยไป6ชั่วโมงเนะนี่ยชั่วโมงนี้เอามาภานารู้สึกกลยรู้สึกใจไปแต่อย่าอย่าหลับตาให้รู้กาลเทศะนะอย่าหลับตายังมีธุระเดินติดต่อระหว่างห้องต่อห้องอะไรนี่นะเดินจงกรมสิ แต่ไม่ใช่ไปเดินยกหนอย่างหนอะนะจนถึงเย็นยังไม่ถึงอีกห้องเขาก็ไล่ออกนะเดินธรรมดานี่แหละนะจะไปห้องน้ํานะจะไปกินข้าวทําอะไรน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาเรื่อยไปเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทำงานไปหลวงพ่อนะ่ยเก็บเล็กเก็บน้อยแบบนี้ได้เยอะนะวันๆหนึ่งเมืนะ่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานหลักคืองานประชุม ประชุมเช้าประชุมบ่ายมีเวลาภาวนาเยอะเลยเวลาคนนี้เริ่มพูดเรารู้คนนี้ไตเติ้ลยาวยังไม่ต้องฟังนั่งหายใจแต่เราก็มองเขาแปลว่ยักหน้าบ้างอะไรบ้างนะเขาคิดว่าหมาเราเห็นด้วยเปล่าฉันจเจริญสติโ อ, อนะพูดเธอพูดไปเถอะพูดไปทั้งวานึงแล้วยังได้เนื้อหานี้เดียวก็มีนะบางคน ่บางคนพูดเราต้องคอยตั้งใจฟังพูดเร็วมากเลยพูดเร็วหมายถึงไม่มีน้ํามีแต่เนื้อถ้าตามไม่ทันเนี่ยหลงประเด็นไปเลยพวกจำนวนหนึ่งพูดยาวเนี่ยเวลาอย่างเนี้ยเาเวลาที่เราคุยกับคนนะช่วงไหนซึ่งไม่มีเนื้อเราภาวนาเราก็ยิ้มไปด้วยพยักหน้าไปด้วยอย่างาเราคุยกับเพื่อนบางคนพวกเรามีเพื่อนที่เพลเจอร์ไหม มีใช่ไหมเราเองบ่ะเวลาเราคุยกับพวกเพอร์เจอร์มันพูดยาวเราก็ยิ้มไปอะไรไปนะพยักหน้าบ้างไม่ให้เสียมารยาอืมอย่างนงี้นะเวลาเราส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ทำแบบนั้นแหละบางก็ส่งกันบ้านโอ้ยยาวมากเลยไหว้ครูอยู่นั่นแหละขอขมาลาโทษก่อนแทบจะจุดทูบจุดเทียน พูดจะยาวเลยเนื <laughs> ้อมีน <mumbles> ิดเดียวแล้วหนูจะทําไงดีครับเนื้อมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเวลาอย่างเนี้ยเราแอบพาวนาได้ไม่มีใครรู้น่ะเราก็อื้อๆๆแต่น่าสนใจเธอยจะได้พูดไปเราก็ภาวนานะดูกายดูใจของเราไปสบายแต่อย่าไปหลับตานะต้องหัดพาวนาลืมตาให้ชํานาญนะ เดินจงกรมก็จะไปเดินในท่าทางแบบนักเดินจงกรมเดีวยวคนอื่นก็รู้เดินอย่างที่พ่อแม่เราสอนนั่นแหละนะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราภาวนาตอนเป็นโยบนะหลวงพ่อนะไม่ใช่หยาบคายนะทั้งเวลาฉี่ยืนฉี่นะผู้ชายนะอ่ะสานั้นไม่ได้บวชยืนฉี่ยังภาวนาเลยดูกายดูใจภาวนาไปนะทำได้ตลอดนะ่ะ เงั้นที่ว่าไม่มีเวลาภาวนานะเพราะเอาเวลาไปใจลอยสมหมดน่ะสิอ่างว่างานเยอะงานเยอะจริงๆทํางานนิดเดียวเวลาส่วนใหญ่ที่ว่าทํางานเยอะๆใจลอยไม่ก็ยังเป็นนักบริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะเวลาส่วนหนึ่งเอาไว้กลุ้มใจกังวลไปกังวลกังวลตัวนี้ไม่ได้เนื้องานนะถ้าอย่างกังวลแล้วก็ดูกจิตที่กังวลนี่ได้ภาวนาแนละ อย่างที่ว่าไม่มีเวลาภาวนานะเพราะว่าไม่ภาวนาถ้าจะภาวนานะมีเวลาอยู่แล้วล่ะตอนนั่งรถไปก็ภาวนาได้นั่งรถไปทํางานรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ภาวนาได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เอารถติดนะนั่งกดอะไรกันถามทํำอะไรลายลายลายคุยกับใครคุยกับคนที่นั่งข้างๆอย่างนี้ก็มีนะจะบ้ากันใหญ่ละ เนี่ยไอ้พวกเนี่ยทาลายเวลาของเราไปหมดเลยไอ้พวกอินเทอร์เนต็ตเลยเนี้ยมันทำให้เราไม่มีเวลาพาวนาเรบอกให้ภาวนาอยากภาวนาแต่ไม่มีเวลานั่งกดอย่างนี้ได้ทั้งวันนะงั้นรู้หลักแล้วไปทําเอานะแล้วทําเอาทําเยอะๆมัได้ผลเร็วแต่อย่าเคร่งเครียด เรียนกับหลวงพ่อสังเกมไหมยิ้มไปหัวเราะไปแต่จิตดีขึ้นดีขึ้นเป็นวิธีการซึ่งสมัยก่อนนไม่มีนะสมัยก่อนไปเรียนกับครูบาอาจารย์ทำอะไรไม่ได้นั่งนั่งสมาธิกันหลับตาด้วยฟังท่านเทศท่านเทศอะไรเก็ไม่รู้พรหลับหมดเวลาก็ตื่นขึ้นมาได้ภาวนาแล้ววันนี้จริงจริงนั่งหลับไปแนละ้วหลวงพ่อสานใหม่ๆ คนไม่เข้าใจนี่เรอสอนกรรมฐานเฮๆอยู่ได้นะไม่เห็นสำรวมไม่เห็นหลับหูหลับตาเลยเวลาผ่านมาสักพักเดียวพวกเรานี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิธีที่หลวงพ่อสอนนี่ใช้ได้ชัวร์นะคนซึ่งไม่เคยมีศีลก็มีศีลขึ้นมาเยอะแยะเลยเพราะว่าไม่กล้าทำชั่วละอายใจ มันรู้ทันใจตัวเองไม่เคยมีสมาธิทําสมาธิไม่ได้ตอนนี้สมาธิเป็นเรื่องเล็กแล้วะไม่เคยมีจิตตั้งมั่นไม่เคยตื่นไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เคยแยกธาตุแยกขันได้ก็แยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุขันแสดงใจลักษได้ทำอภิปัสนาได้การทำภาวนาไม่ยากนี่หลวงปู่ดูลบอกนะไม่ยากมยากเฉพาะคนไม่ทําอ่ะ ใจเรามีความสุขก็รู้ไปมีความสุขไม่ต้องห้ามไม่ต้องทําคลึมมนาำต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานขึ้นมะเบิกบานแต่สงบสังเกตไหมอย่างใจพวกเราขนาเนี้เบิกบานแต่สงบสังเกตไหมมันเหมือนที่คนไปทูลพระพุทธเจ้าว่อาอัศจรพระเจ้าค่าภิกษุของพระองค์สงบแต่ร่าเริองอย่างพวกเราขนาดนี้สงบแต่ร่าเริง เขาไม่ได้ชมเลยนะพิสูจของว่าองค์หงอยหงอยเจ้าข้าหน้าเรื่มใสไม่มีอ้อาวต่อไปส่งกันบ้านถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องส่งนะตอนนาเอเอง้เอาเชิญน้ำสการครับหลวงพ่ออก็ส่งกันบ้านก็คือก็หลังๆนี้ก็ดีขึ้นครับก็เห็นมาแล้วก็ปล่อยไปไม่ไม่ค่อยดิ้นแล้วครับก็ดีแล้วล่ะ สมัยก่อนนะสักสามสิปีก่อนนะแค่จะรู้สึกตัวยังหายากเลยคนที่รู้สึกตัวได้ย า, ยากที่สุดเลยมาถึงวันนี้ก็รู้สึกตัวไม่พอแล้วนะเขาแยกธาตุแยกขันได้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพอแยกธาตุแยกขันได้ก็ดูธาตุดูขันทํางานเหลือ ง, งานเดียวเท่านั้นนะตอนไหนหมดแรงดูก็ทําความสงบเพราะมามีแรงก็ดูมันไปเจ็วันเะจ็เดือนเจ็ปีนับถอยหลังไป สทกาลหลวงพ่อค่ะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยยอมทําความสงบเท่าไหร่หรนั่นแหละมันคิดเยอะไปมันคิดไปทุกอย่างนะงั้นถึงเวลาเราก็ทําความสงบมามันไม่ยอมทําเราจะทําวิธีทําความสงบนะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้แต่อย่าอยากสงบพุโทโธเล่นๆหายใจเล่นๆหายใจไม่ต้องกลัวเรื่อ ง, งโง่ไม่ต้องเจริญปัญญานะใจได้พักเดินปัญญาทรวดไปใจไม่มีแรง นมัสการครับก็มาอยู่วัดเมื่อวานนี้ก็รู้สึกตัวบ่อยขึ้นนะครับเออดีรู้สึกตัวไปนะใจมีความสุข ก, ก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใจก็มีแรงมากขึ้นนะครับอืนั้นดูสภาวะไปดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเลยดี <ผม S 2> บ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆดีไปทําต่อครับ นี่ส่งการบ้านแบบนักปฏิบัติไม่ต้องพูดยาวนร ส, ส ก, การครับผมส่งกานบ้านหลายปีะครับก็เลยอยากจะเช็คหน่อยว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพ่งอยู่ไม่ล่ะตอนนี้ก็ตั้งใจคุยอะไรนะตั้งใจคุยกับหลวงพ่อจะได้รู้เรื่องเออตั้งใจแรงไปแรงไปครับมันผิดธรรมชาตินะแกนภาวนาที่ดีเนี่ยปล่อยให้จิตใจปล่อยให้ร่างกายเป็นธรรมชาติธรรมดา แล้วเราตามรู้ความเป็นธรรมดาของมันไปเราไม่ดัดแปลงมันพยายามรู้สึกร่างกายไปเยอะๆหน่อยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วต่อไปถ้าจิตใจมันสุขมันทุกข์มันดีมันช่วก็รู้สึกเนาะอย่าไปจ้องมันอย่าไปจ้องกายอย่าไปจ้องใจนะให้ความโลภเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามันโลภให้มันโกรธก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธ เพ่งมากเกินไปเพ่งตอนนี้เพ่งเข้าไปอีกและแต่พอออกจากวัดมันก็เผลอไปเลยครับอย่าไปดักดูนะอย่าไปดักดูมันปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็รู้เอาแต่ถ้ามันเผลอบ่อยเผลอนานก็หาเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ชอบพุทโธรู้ลมหายใจก็ได้แต่ไม่ได้เอาสงบพุทโธไปหายใจไปถ้าจิตหนีไปก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้ไป หายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหรือพุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปฝึก อ, อย่างนี้นะจะได้ไม่หลงยาวขอบคุณครับคือของเดิมงโยมที่ปฏิบัติมาห้ามไม่ให้มองไม่ให้พูดอย่างนี้ถูกต้องไม่ใช่ไหมไม่ถูกมีตาก็ดูมีหูก็ฟังสิบอกถ้ามีมองแล้วจะมีกิเลสจะเข้าทางตานะค่ะโอ้ถ้างั้นคนตาบอดต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนเราเนาะค่ะคนหูหนวกก็บรรู้เร็ว ทีนี้ไ ม, ไม่ห้าไม่ให้พูดเพราะกลัว่าจิตมันจะฟุ้งนะเจ้าค่ะโอ้ถึงไม่พูดจิตก็ฟุง้งจิตพูดเจ้าเจ้าไม่เลิกหรอก <c oughs> เลิกสนะกรรมฐานอย่างนั้นนะไม่ถูกหรอกอ๋อเจ้าค่ะเออยังมีเจ้าค่ ะ, คะพุทเจ้าสอนอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตดุจราชรส่งของพระราชาเห็นไหมให้ดูนะไม่ให้ไม่ให้ใหดูเจ้าค่ะให้รู้มันเข้าไปสีมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะไม่มีสติ S <S ตาดูแล้วเกิดยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันสุขทุกรู้ทันนะหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันสุข<า>ทุกข์<า>ขึ้นมาก็รู้ไม่<า>ไปกล<า><ข>ัวกิเลสนะ <S <S ้เจ้เาค่ขอขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะมีตาก็ดูนะแต่พอตาเห็นรูปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายรู้ทันมีหูก็ได้ยินเสียงเจค่ะ เหตุได้ยินแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอะกุศลเกิดยินดียินร้ายรู้ทันมีใจก็คิดได้ะคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายให้รู้ทันไปใช้หลักนี้นะไม่งั้นต่อไปพระอรหันต์จะต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยทั้งประเทศพระอรหันต์เหมือนกันหมดยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มว่าโลภนะบอกเขาห้ามห้ามยิ้มด้วยใช่ไ ห้ามมองหน้าห้ามยิ้มเลหรอโ <c oughs> ้ห้ามมากจังเ <c oughs> นี่เมื่อก่อนนะมีครูบาอาจารย์องชื่อหลวงปู่คาพันธ์อยู่วัดท่านมหาชัยลลูกศิษย์ท่านนะตอนในพรรษาก็แยกย้ายกันไปภาวนาออกพรรษาแล้วก็กลับมาหาท่านมารายงานนะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ครับช่วงในพรรษาเนี่ยพวกผมสำรวมในการบริโภควินทบาทมานะ เอาน้ำร้อนนะใส่ลงไปในบาสนนะ่ะล้างให้มันจืดที่สุดเลยลเทน้ำออกแล้วก็ฉันใช้วิธีนี้แหละเพื่อจะได้สำรวมไม่ให้มันมีกิเลสในการกินนะก็คล้ายๆไม่ให้มีกิเลสเวลามองเห็น น, ะนี่ก็สำรวมท่านบอกโอ้เปลืองน้ำอย่างนั้นอะ่ะเอาน้ำร้อนลวกลิ้นซะ ก, ก็หมดเรื่องแนละ้ว <laughs> <laughs> ใช้น้ำนิดเดียว <laughs> มีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีใจก็คิดนะ <c oughs> อ้าวต่อไปขอพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ขออนุญาตเส่งสามในสาม ส, ในสามส่วนครับหลวงพ่อคือช่วงที่นั่งในในในรูปแบบในช่วงเช้าเนี่ยครับอืจิตมันไม่แตะความสงบเลยครับมันจะคอยแต่ไปดูการเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดทั้งช่วงเวลาที่ที่นั่งอยู่เลยครับมีส่วนที่สองคือในระหว่างวันเวลาลรู้รู้เรื่องของจิตมันก็ ลอยหยักในการรู้มันน้อยลงแทบจะไม่มีลอยอยากเลยครับหลวงพ่อแล้วก็ในส่วนที่สามคือบางครั้งจิตมันมีปิติขึ้นมาโดยโดยไม่มีสาเหตุครับครับผมไม่เห็นเป็นไรเลยนะมันเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่การทําความสงบเพื่อจำเป็นนะครับเดินปัญญารวดไปมันจะฟุ้งมันมันมันไม่ลงเลยครับต้องบังคับมันจน้อมมันไปน้อมมันไปครับอย่ากลัวโง่อย่ากลัวช้าครับเนี่ยหลวงตามมหาบัวสอนไว้นะครับ ท่านเล่าการปฏิบัติของท่านเองว่าตอนที่เจริญปัญญามันไม่ยอมทำสมาธิลงปุ่มมั่นว่าท่านนะเดินปัญญารวดไปไม่ได้หรอกทำความสงบบ้างนะสังเกตเอาจิตนะสังเกตจิตนะมันมีการกระทำใช่ไหมขันมันทำงานนะมีผู้กระทำนะดูออกไหมออมีผู้กระทำด้วยนะดีที่เห็นนะ good, สังเกตไปเรื่อยนะ อย่าไปแทรกแสงมันนะอย่ารีบร้อนทำความสงบเป็นช่วงๆไปหลวงพ่อเคยเป็นเดินปัญญารวดไปเลยนะแล้วมันเห็นไหวยิบยบพีบ่แตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนนะเห็นมันปลุงบับบๆๆๆเงี้ยทำไงก็ไม่หายวันหนึ่งนึกถึงสมถะนะมาทำสมถะพักผ่อนพอพอจิตสงบนะหายใจได้28ครั้งจิตสงบแนละ้วพอจิตถอยออกจากสมาธิมาดูนะ ไอตัวนี้ขาดเลยครับเอาน่าถ้าเราไม่มีสมาธิพร้อมไม่ได้หรอกครับเหมือนมีดทื่อไปนักมัสการหลวงพ่อครับอืครั้งสุดท้ายที่ผมมามาส่งกันบ้านนะครับผมได้บอกหลวงพ่อไปว่าผมเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์โลภเห็นอารมณ์โกรธครับเออซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นชัดขึ้นแล้วเออดีแต่วเพิ่งเมื่อเช้านี่เองผมตอนผมนั่งรถมาวัดนะครับ ผมจิตผมนะ่ยมันลงไปคิดและจิตผมบอกผมเลยว่าตอนเนี้หลงไปคิดอยู่อถามพ่อให้แนะนำํทำทําอะไรบ้างครับไม่ทําอะไรนะแล้วส่วนจิตจะบอกจิตไม่บอกก็เรื่องของจิตนะไม่จําเป็นต้องบอกตลอดนะที่ฝึอกอยู่ถูกต้องแล้วละ่ะสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ ส, สังเกตไหมว่าความรู้สึกกระจาคนละอันกันครับนะร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันอันนี้ดูออกไหมหรือเห็นความรู้สึกกระจายเป็นคนละอัน นิดหน่อยได้บ้างอบ้างอยู่มันเริ่มแยกแล้วนะขันมันแยกได้อย่างกิเลสกระจเนี่เป็นคนร่างกันไหมกิเลสผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูื่อใจมันแยกออกมาเป็นคนดูได้ล้วก็เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาก็ไปตัวใจที่เป็นคนดูก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะไม่มีตัวไหนที่คงที่เลยสักตัวเดียวทาดีแล้วละใช้ได้ ฝึกมานานเท่าไหร่เนี่ยือฝึกนานเท่าไรแล้วห้าปีครับห้าปีเออใช้ได้ละครับดีมาสการหลวงพ่อครับไม่ได้มาส่งการบ้านมาป่านสามปีฮะอืมก็วันนี้รบกวนนิดนึงเพราะว่าบังเอิญว่าผมเติมเคยฝึกสัยที่ใช้สตินำแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอ่ะนะฮะช่วงหลังนี้ก็ปรากฏว่ามีปัญหาทางด้านครูบาอาจารย์นิดหนึ่งก็เลย พอดีมีครูาอบาอาจารย์ตรงใหม่ซึ่งก็สายพองยุบนะฮะไม่ทราบว่าจะถูกจริตกับผมหรือเปล่าไม่ทราบหลวงพ่อช่วยแนะนนะําำหลวงพ่อจะไปรู้เหรอถูกจริตไหม <c oughs> เราก็เลือกเอาสีนะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ว่าจะสายไหนนะหลักการปฏิบัติต้องตรงที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าพองยุบแล้วก็เพ่งเอาหรือกําหนดเอาไปเรื่อยนะมันก็ไม่ใช่วิปัสสนา อย่างเช่นโกรธขึ้นมาก็โกรธเนาะโกรธเนาะเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่การคิดเอาวิปัสนาแปลว่าเห็นถ้าคิดเอาเรียวกวิตกเพระฉะนั้นถ้ามาไหล่คิดมาแล้วก็หลุดออกจากวิปัสนาละเราค่อยๆดูไปโกรธขึ้นมาเราเห็นสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโลบขึ้นมาเห็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับไปนะเห็นสภาวะมัน แต่ใจเราเป็นคนดูสบายๆนะ ก, การการกําหนดนี่ไม่ใช่ทางที่ถูกเลยอไงกากหนดเนี่ยเป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อให้หัดดูสภาวะถ้าอย่างนั้นใช้ได้เช่นแต่เดิมโกรธแล้วไม่เคยรู้ว่าโกรธ ก, ก็ให้มาเตือนตัวเองว่าโกรธนอโกรธนอแต่พอเห็นสภาวะแล้วต้องดูสภาวะเกิดดับไปอย่าไปกําหนดขนาดที่โกรธจิตเป็นากุศลขนาดที่รู้ว่าโกรธเนี่ยถูกต้องเป๊ะละ ขณะที่ไปกําหนดว่าโกรธน้อเนี่ยจิตต ก, กวิปัสสนานะจิตไปคิดอีกละจิตฟุง้งซ่านถ้าถ้างั้นก็คือดูสภาวะอย่างเดียวรู้สภาวะ<ำ>ไปนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะั้นมีลักษณะที่เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สื่อไม่ติตนะรึนคุณคต้องปรับจิตให้ถูกก่อน คือจะพองยกจะอะไรนะจริงๆแล้วใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะถ้าจิตถูกงั้นก่อนที่จะไปขึ้นวิปัสสนาเนี่ยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นที่เรียกว่าปัญญาสิกขาก่อนจะถึงปัญญาสิกขาต้องมีจิตสิกขาก่อนต้องมาฝึกจิตให้ถูกต้องก่อนมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาของคุณมันโดดข้ามจิตสิกขาไปนะ เพราะงั้นจิตเนี่ยไม่ได้ถูกต้องไม่ไม่มีจิตที่ถูกต้องแล้วก็โดดไปเจริญปัญญามันกลายเป็นการเพ่งไปปล่นะอยให้จิตทำงานเป็นธรรมชาติอย่าไปเพ่งเหมือนไว้ขอบคุณครับการนมัสาการค่ะไม่ได้ส่งการบ้านประมาณ6เดือนค่ะช่วงควันา์ีหนูเพิ่มเวลาเดินจงกรมอะค่ะเป็นสชั่วโมงก็รู้สึกว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้น ม, มีสติในชีวิตปจจันมากขึ้นใช่ได้ถูก แต่ว่าก็ช่วงสองสมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเหนื่อยๆไปค่ะแล้วก็แต่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มดีขึ้นค่ะเราห้ามไม่ได้หรอกภาวนานะบางครั้งก็แอคทีฟนะเที่ยวเฉยแต่แอคทีฟก็ภาวนาเฉยก็ภาวนาไม่เลิกหรอกอดทนเอาไว้ไม่ให้เสียสัจจะนะขอบพระคุณค่ะครับนมามัสการพระอาจารย์ก็เป็น3มชั่วโมงเหมือนกันครับ อ, อ, อย่าให้เครียด น, นะ ถ้าพอนนั้นเราเคลียดๆหรือจิตมึนๆมัวๆเนี่ยแส้งจิตยังไม่ค่อยถูกครับจิตแข็งไปไหมขนณะนี้ยตอนนี้ตั้งใจฟังตั้งใจมากไปครับผมทำใจยิ้มหวานๆก่อนฟังเทศหลวงพ่อต้องยิ้มหวานๆก่อนถึงจะฟังรู้เรื่องนะ <c oughs> เราไม่ใช่ทางดุเราทางหวาน ก็ว่าจะลดงานลงวันนึงทํางานสิบชั่วโมงนะครับก็ว่าจะปรับลงให้เดินได้มากขึ้นอีกหน่อยครับพระอาจารย์ว่าสมควรคือเวลาเราพอนานนะจะกี่ชั่วโมงก็ตามแต่อันั้นมันแค่การทําในรูปแบบครับจุดสําคัญก็คือเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิน่นนิดแล้วใจคิดนึกอะไรเนี่ย น, นะความรู้สึกอะไรเกิดเรารู้ไปด้วยอย่างนี้ไม่มีเวลาไม่มีชั่วโมงหรอกเนะข้าใจนะครับแต่ถ้าเราไปมุ่งเอาช่วงเวลามันทีเครียดไป เข้าใจครับการจควบบูมเวลามันก็มีข้อดีทําให้ไม่ขี้เกียจไม่กล้าขี้เกียจแต่ว่ามันทําให้เคลียดได้นะถ้าเพิ่มมากไปเอาสติมรดกของพ่อครับสมการบ้านเขาที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วครับหลวงพ่อบก็ไม่เป็นกลางครับตอนนี้ควรจะปรับปรุงยังไงบ้างครับหลวงพ่อเราเป็นไงล่ะตอนนี้บอกมาซะหน่อยตอนนี้รู้สึกมันเสื่องๆครับมันเฉยชาครับเฉยชาก็รู้ว่าเฉยชานะแต่ว่าดูของเราไม่เลิก การภาวนาเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นปกติทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านเคยบอกต่อกันมาอย่างหลวตามมหาบัวเนี่ยท่านบอกมันเจริญมันก็เสื่อมแล้วอาจารย์สิงห์ทองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมแต่เจริญก็ปฏิบัติเสื่อมก็ปฏิบัตินะขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติไม่เลิกสักอย่างหนึ่งแล้วดูมันไปเลยมันสอนธรรมะเราตลอดเวลาไหเจริญได้ก็เสื่อมได้นี่ก็ธรรมะแล้วล่ะ ของคุณภาวนานดีขึ้นแล้วละ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเรื่องแยกทาตแยกขันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะใครๆก็ทำได้ลนะ้วนรัต ก, การหลวงพ่อค่ะ เ, เหมือนตอนนี้เหมือนติดแล้วมันบกวนดูใจอใจมันหงุดหงิดนะให้รู้ทันมันดูใจมันไม่สบายใจรู้ทันมันการภาวนาไม่มีอะไรมากไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบ ดีก็รู้ทันไม่ดีก็รู้ทันนะฟุ้งซ่านก็รู้ทันสงบก็รู้ทันมีความสุขก็รู้ทันมีความทุกข์ก็รู้ทันดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวนิสัยเป็นคนชอบบังคับนะงั้นให้ดูไปเรื่อยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยค่ะเราที่ไปคือดึงไว้เหมือนยึดตอนั่นแหละนั่นแหละไปบังคับมันนะ ไม่ใช่นิสัยบังคับตัวเองคนเดียวนะั้นจะชอบบังคับคนอื่นได้ด้วยนะฉะนั้นเราคอยรู้ทันในใจมันนะปล่อยให้มันทํางานไปแล้วมีสติรู้มันไปเลยอย่าไปบังคับมันมันสอนความบังคับไม่ไดนะ้มันสอนให้เราเห็นว่าบังคับไม่ได้สั่งให้ดีไม่ดีสั่งให้สุขไม่สุขสั่งให้สงบก็ไม่สงบนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละของจริงลนะนะคือคําว่านัตตาบังคับไม่ได้ ไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับมันให้สำเร็จนะแล้วถ้าพยายามปล่อยหลายทีแล้วมันปล่อยไม่ ไ, มได้เรื่องนิสัยเราจริงจังไน ะ, นะจริงจังค่อยๆดูค่อยๆแก้ไปธรรมะมันจะสอนเราเองทั้งๆที่เราพยายามรักษาอย่างดีเลยมันก็เสือ่อรรมนะอุตส่าห์ทำอย่างดีเลยมันก็เสียไปอีกสุดท้ายจิตมันจะรู้ความจริงบังคับไม่ได้หรอก เราภาวนาจนกระทั่งจิตรู้ความจริงไม่ใช่อยู่ๆก็ไปสั่งจิตให้มันเชื่อเรามันไม่เชื่อหรอกพาให้มันดูของจริงไปเรื่อยมันจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นามสการก็ค่ะที่เออ พ, พิ่งเริ่มปฏิบัติได้ประมาณปีหนึ่งอยากสอบถามว่าที่ปฏิบัติ ท, ทําถูกไหมแล้วมีอะไรถูกถ้าไม่ปฏิบัติผิดแน่นอนเลยหล <c oughs> เห็นกิเลนบ่อยหรือเปล่าล่ะเริ่มเห็นมากขึ้นค่ะนั่นแหละดี เห็นไหมว่าใจเราวิ่งไปคิดได้เคยเห็นไหมเคยตามทันบ้างตามไม่ทันไม่ตามนะแค่ว่ามันหนีไปคิดแล้วก็รู้เอาไม่ห้ามมันนะค่ะไม่ใช่วาห้ามหนีนะหนีได้แต่หนีแล้วรู้ไวๆนะเคยทําอีกขอพระคุณเจ้าค่ะนมศักการเจ้าค่ะหลวงพ่ออืก็เพิ่งจะปฏิบัติอะค่ะก็ชอบนั่งนิ่งๆอะค่ะ มันก็อยากจะเจริญสติแต่ว่ามันไม่ค่อยไปอะค่ะจงนั่งนิ่งๆเหมันไม่ไปไหนหรอกมันก็นิ่งอยู่สิมันต้องกระดุกกระดิกซิมถึงจะไปได้อยู่นิ่งๆมันจะไปได้ยังไงเวลาร่างกายเคลื่อนไหวนะหางานทำไปกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ก็ได้นะเราเห็นร่างกายมันทํางานไปด้วยก็กําหนดเจ้าค่ะไม่กําหนดเห็นร่างกายมันทํางานไปเราก็คอยรู้ไปด้วยหรือเห็นจิตใจมันสุขจิตใจมันทุกข์อะไรเงี้ยเราก็คอยรู้ไป ไม่ต้องไปกําหนดอะไรหรอกดูกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นดูใจมันทางานเหมือนเห็นคนอื่นอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะปล่อยให้จิตทำงานแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงไปเลยจกนกระทั้งใจยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่เชี่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้กับนรมัศการค่ะเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะหลวงพ่ อ, อ <laughs> ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหลวงพ่อ รู้ไหมล่ะว่าดีไม่ดีมันเหมือนมันเหมือนใจมันอยู่นอกๆข้างๆมันเหมือนไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่อะเออดีจังเลยที่รู้ใช่ไหมคะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะรู้รู้ค่ะว่าถ้ารู้เนี่ยถือว่าดีแล้วจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีจิตออกนอกรู้ว่าออกนอกดีดีน่าภาวนาดีขึ้นเยอะเลยการที่เราไปช่วยคนนะได้บารมีนะ เวลาเราพานามจะไปง่ายไปได้เร็วขึ้นคนไม่มีบุญไม่มีบารมีไปยากนี่หลวงพ่อสังเกตดูนักปฏิบัตินะบางคนก็ทำหัวปากหัวปํานะบางคนก็ปฏิบัติไปตามธรรมดานี่แหละก็มีโอกาสสร้างคุณงามความดีอะไรก็ทํานะปรากฏว่าใจใจเขาวามันพัฒนานได้เร็วกว่าเร็วกว่าพวกหมกมุ่นปฏิบัติซะอีกพวกหมกมุ่นปฏิบัติทำเพราะเพราะอยากจะเอา พวกเนี้ยช้าบารมีมันไม่เต็มค่ะคือคือรู้ว่าโลภอะค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อก็สภาวะที่เคยส่งมันก็จะหายไปทุกทีอย่างคราวนี้ตอนนี้อย่างล่าสุดที่ส่งก็คือว่ามันก็จะสามารถนั่งแล้วก็ดูความฟุ้งซ่านไปแล้วมันก็จะกลับดูร่างกายได้ตลอดแต่ว่าพอหลังจากส่งล่าสุดเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านตลอดก็คือเวลานั่งมันก็จะหลงยาวแล้วก็เลยแล้ว แต่ก็ยังคงยังคงทําอยู่คือว่าตื่นตอนกลางคืนมาก็ลุกขึ้นมานั่งแต่ว่ามันก็จะมีว่าพอนั่งไปแล้วมันก็หลับไปอะไรอย่างเงี้ยพอหลับมันก็แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ไปคงพยายามตั้งใจมากเพราะว่ารู้วเหมือนกับมันก็ดูร่างกายมันก็เห็นร่างกายนอนอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนก็ก็ฝันด้วยเหมือนกันแล้วก็เห็นร่างกายนอนอยู่แล้วแต่ว่าในขณะก็รู้สึกว่าใจมันแบบมันหนักหนักะแล้วตื่นมาหัวใจมันก็จะมันก็จะหนักหลังจากตื่นยังยังหนักอยู่ทั้งทังที่มันก็เหมือนกับ เมื่อกี้เราก็เห็นร่างกายก็นอนอยู่เ ว, วลาพอนานอย่าไปเคร่งเครียดนะพอ <ฮะ S 2> นานให้สบายสบายไม่รีบร้อนดูไปอย่างสบายสบายใจเราเล้าร้อนไป <ฮะ S 2> โทรศัพท์จะแทรกเพื่อทำให้มันมีความสุขน ะ, <ฮ>ะทีนี้ก็เลยถึงรู้สึกว่ามันไม่มีแรงก็คือตั้งแต่เคยถามหลวงพ่อมาเราก็เลยก็พยายามที่จะทำมมสมาธิบ้างไม่มีแรงก็หายใจไป หายใจไปยังมีความสุขเคล็ดอยู่ที่มีความสุขนั่นเองค่ะก็เลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่ตอนคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเวลาดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเราส่วนใหญ่จะดูร่างกายคือตอนแต่ก่อนเนี่ยเข้าใจว่าดูลมหายใจแต่ว่าพอมันสังเกตเรื่อยเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้ดูลมหายใจแล้วเราดูร่างกายมันหายใจดูทั้งร่างกายเนีย่ยนั้นถูกน ะ, ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็หลวงพ่อบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือถ้ามีความสุขมันก็จะสงบแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันสงบก็เลยไม่แน่ใจว่าจริิงงๆส่่ทําอยูมัน เราหรือเรามีความสุขหรือเปล่าไม่มีความสุขค่ะนั่นมันเคร่งเครียดไปมันจะอยากได้เร็วๆเนี่ยมันไม่มันไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่ไม่หายสักทีเรื่องความอยากอค่ะความโลภมันห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามไม่ได้ดูร่างกายนั้นถูกแล้วค่ะเพราะจิตนิสัยเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักนํามนะดูไปดูกายนั้นถูกแล้วค่ะดูกายก็ดูไปอย่างสบายใจเห็นร่างกายเป็นหายใจนั้นถูกแล้ว ที่หลวงพ่อบอกเรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูนะดูไปดูไปมีความสุข ก, ก็รู้มีความทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะดูเล่นๆไปไปทำต่อไปใจร้อนไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเล ย, เลยมีใจร้อนอย่างเดียวแหลนะแต่ ม, มีวิธีการที่ทำให้ไม่ใจร้อน <laughs> ไม่มีไม่มีเลยนะเนี่ยในสูตรของว้หลังมีนะ มีคนไปบอกท่านไว้หลังว่าอาจารย์วัดข้างๆกันเนี่ยเขาบอกเลยเขามีวิธีปฏิบัติเนี่ยถ้าใจร้อนก็นมาจะมีวิธีเว้หลังบอกไว้วหลังไม่มีวิธีหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อก็ไม่มีวิธีนะมีแต่รู้ทันมันกลับนมรสการหลวงพ่อครับอืก็ผมกําลังอยากจะเข้าเข้ารูปแบบแบบฝึกอานาปนาญสติไปไปได้ไหมครับทางนี้ ได้หายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจยใจเป็นคนดูกายกับใจแยกกันไปเรื่อยๆขอบคุณครับผมอนาปนาสติไม่ได้แปลว่ามีสติไปเพ่งลมหายใจนะแต่หมายถึงมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวนะแล้วก็หายใจเข้ามีความสุขก็รู้หายใจออกมีความสุขก็รู้อะไรเงี้ยรู้รู้ทันกายรู้ทันใจหายใจเป็นแบกกราวไป นวัตการหลวงพ่อค่ะ อ, อตอนนี้ครบเจ็ดเดือนแล้วค่ะเคยจําคําของหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราจะประเมินอย่าประเมินในแต่ละวันก็เลยนั่งทบทวนเจ็ดเดือนที่ผ่านมายอมคิดว่ายมเห็นแต่ไม่มั่นใจว่าฉูกหรือเปล่านะคะคือยมว่าโยมเห็นกายที่แยกเห็นขันที่ที่ต่างหาออกไปนะคะแล้วก็เห็นจิตที่ ที่มีความสุขแต่หาสาเหตุไม่ได้นั่นแหละมันมันโชยขึ้นมาเองนะความสุขอะถ้วจิตมันมีสมาธินั่นเองมันรู้สึกตัวมีสมาธิความสุขก็ผุดขึ้นมาแต่ถัดจากนี้มันจะไม่เป็นนะถัดจากนี้มันจะเริ่มเดินปัญญาเดินขันมันแยกแล้วมันจะเห็นกายก็ทํางานใจก็ทํางานต่เพิ่มจะเห็นแต่ตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่าไปกลัวนะมันเป็นช่วงผ่านเราเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์น่ใจมันจะปล่อยกายปล่อยใจปล่อยวางอะ แล้วมันจะเข้าไปสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนคือพันธิพาณไปไปทำต่อนะใช้ได้ประเมินตัวเองได้ถูกต้องน้ำมศการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้จิตไปปฏิบัติแล้วมันติดเพ่งอะค่ะหลวงพ่อแล้วเหมือนในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับว่าเราจะไปแบบเพ่งเพ่งตลอดในีดูโน่าสงสารนะเพ่งแล้วมันเครียดเลยอืดอั มันเพ่งเพราอะไรรู้ไหมเพราะมันโลภใช่ไหมเพ่งเพราะโลภรู้ทันตัวโลภนะโลภขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้มันจะได้เลิกเพ่งรู้ทันกิเลสไปไม่ต้องทำอะไรมากหรอกกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันกิเลสอะไรเกิดก็รู้ทันไม่ว่ามันนะคอรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นสดๆน้อนๆรู้ไปได้่อยใจมันไหลไปเราก็รู้นะไม่ว่ามัน เราถ้าสมมติว่าปฏิบัติในอรูปแบบอยู่อะค่ะแล้วแล้วมันถ้ามันไปเพ่งขึ้นมาก็คือช่างมันปะคะก็รู้ว่ามันเพ่งรู้ว่ามันเพ่งไปไม่ต้องให้มันหายไปหรือว่ามันไม่หายหรอกเพราะมันโลภเหตุมันยังอยู่รู้ว่ามันเพ่งไปถ้ามันเมื่อยนักมันเหนื่อยนักนัดก็เลิกไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่อ๋อก็ถ้ามันเหนื่อยมากๆก็เลิกทําเลยก็ได้เลิกไปเลยนะแล้วรู้สึกใหม่นับหนึ่งใหม่รู้สึกตัวบ่อยๆ่อยแล้วถ้าสมมติว่าแบบไป เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราหนูจะทําอะไรเป็นเเปเป็็นนวิหารธรรมอะคะในชีวประจําวันได้เพราะมันบับไปเอาลมหายใจเอาพุโทโธอะไรก็ได้ะมันกรรมฐานกลางๆใช้ได้ทุกคนแหะหรือเอาร่างกายก็ได้นะจริงดูกายไปด้วยก็ดีนะเรารักสวยรักงามน้่นเราดูกายไปด้วยเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยดูร่างกายไปเลยแล้วก็คอยรู้ทันจิตไป เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปแล้วจิตเป็นไงก็ค่อยรู้เอาเอากายเป็นแบ็กกราวไว้เอากายไว้น ะ, ะและด้ดูกายไปดูกายได้ดีรู้สึกไหยล่ะก็รู้สึกได้อยู่ค่ะเออนะดูกายแล้วเห็นไหมจิตมันชัดขึ้นมาความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมาดูกายไปค่ะขอเคุณคชิเาชวนกับบ้านนึกว่าจะไม่หมดนะมหมดจนได้